ก็รู้อย่าทิ้งรู้อยทิ้งรู้มันยังไงไอ้ไอผู้รู้เนี่ยมันก็คือใจเรานี่แหละแต่ตอนแรกมันยังไม่เป็นใจหลักเราสังเกตได้ดีว่าเนี่ยความคิดความคิดมันจะคิดกี่เรื่องกี่เรื่องก็ตามมันจะคิดเร็วปลาใดก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับไอ้รถ ไ, ไฟความเร็วสูงอะเป็นรถไฟความคิดกวาเร็วสูงเนี่ยถ้าเราเนี่ยไปรู้ไว ความคิดเรื่องเดียวคือรู้กระบวนเดียวแสดงว่าเนี่ยเราเอาตัวเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนรถไฟเราตัวเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนรถไฟปิดไปกระแดเพราะว่าเสียงมันเข้านี่ปิดไปกระแดปิดไอ้ตัวเนี้ยแสดงว่าเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนรถไฟแล้วเราเลยเห็นแต่มันคิดเรื่องเดียวถ้าเราเห็นแต่ความคิดเรื่องเดียวแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยไปเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าเราขึ้นไปบนรถไฟแล้ววิธีที่จะไม่ให้เราขึ้นบนรถไฟเนี่ย เราต้องมามารู้ที่พูดรู้อย่าเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ความคิดตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะรู้อะไรก็ตามเนี่ยรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ความคิดรู้ใจที่สบายใจไม่สบายเนี่ยให้รู้ที่พู้รู้อย่าไปรู้แต่ความคิดที่ถูกรู้อย่าไปรู้ใจที่สบายใจไม่สบายให้รู้ตัวเราเนี่ยผู้ที่รู้ที่รู้ว่าใจสบายไม่สบายรู้ว่าตัวเราเนี่ยคิดอะไรแล้ว ไอ้ตัวเราผู้รู้เนี่ยตัวเราเนี่ยผู้รู้ว่าเราคิดอะไรไอ้ตัวเราเนี่ยที่ไปรู้เนี่ยมันก็จะคิดใหม่อีกคิดเป็นเหมือนกับรถไฟเคลื่อนที่ความเร็วสูงเนี่ยขบวนใหม่แล้วพอตัวเราเนี่ยไปรู้รถไฟเคลื่อนที่ความเร็วสูงขบวนนั้นเนี่ยไอ้ตัวเราที่ไปรู้อันใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นผู้รู้ที่มันเป็นรถไฟขบวนใหม่คือสรุปแล้วคือตัวเราไม่ว่าจะรู้อะไรแม้แต่รู้ความคิดรู้ว่าใจสบายไม่สบายแม้แต่รู้ล้มรถรูปรถกินเสียงสัมผัสเนี่ย มันรู้เนี่ยตัวเราเนี่ยมันจะเป็นคนคิดจะเป็นคนคิดตึกต้องพูดได้นึกได้ตึกต้องได้วิเคราะห์วิจารณวิจัยเหมือนกับพูดอยู่คนเดียวในใจได้หรือ ท, ท, ทําท่าทําท่าทำกิริยาการต่างๆเนี่ยภายในใจตะลอดเวลาอันเนี้ยเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยที่ภายในใจเราเนี่ยไปรู้อะไรแล้วมันมีกิริยาอะไรเกิดขึ้นมีความคิดความนึกความตึกความตองวิเคราะห์วิจารณวิจัยอะไรเกิดขึ้นใน ใ, นใจแล้วเนี่ยเสี้ยววินาทีที่มีอาการเกิดขึ้นอันเนี้ยเป็นลถไฟความเร็วสูงกระบวนใหม่เรื่อยไป เราไม่ได้ทําอะไรหรอกก็แค่รู้อยู่กับที่ผู้รู้เนี่ยไม่เคลื่อนที่แต่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยทุกกระบวนที่แล่นมาเนี่ยมันเป็นตัวเคลื่อนที่แต่ผู้ที่มารู้ว่าเนี่ยตัวเรารู้อะไรก็ต้องเอามาพูดอยู่ในใจคิดนึกติ๊กตองปรุงแต่อะไรเนี่ยไอตัวที่มารู้เราตัวเราเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่แต่ไอตัวเราเนี่ยที่ไปรู้อะไรเป็นตัวเคลื่อนที่แต่ไอที่มารู้ว่าตัวเราเนี่ยไปรู้อะไรแล้วมันวิเคราะห์วิจารณวิจัยนึกติ๊กตองพูดอยู่คนเดียวเหมืนคนเดียวเนี่ยไอตัวนี้เป็นตัวเคลื่อนททีีี่่่่่่ตตตลลอเเเวววาาาแ้้ผููมรรันย ตัวเราเนี่ยไปรู้อะไรก็เคลื่อนที่ตลอดเวลาไอ้ผู้รู้นั้นน่ะไม่เคลื่อนที่นั้นไอ้ผู้รู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือใจแท้แท้หรือใจดั้งเดิมหรือจิตดั้งเดิมแท้แท้หรือเรียกว่าพุท ธ, ธะรเรียกว่าธรรมธาตุหรือเรียกมหาสุญญาตา เป็นความรู้มีแต่ความรู้ตัวตนของผู้รู้ไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีรูปพันสุ์พฐานใดๆเลยไม่มีอะไรปรากฏโดยแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีไม่มีอาการใดๆเลยไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันคิดนึกตึกตอมปรุงแต่งอะไรไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้ไหวตัวไม่ได้ไม่มีก้อนไม่มีดวงไม่มีแก่นอะไรเลยไอ้ความรู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันเป็นความรู้มีแต่ความรู้ความรู้ความรู้แต่ตัวตนของความรู้ไม่มี ไอ้พุทธิมรู้ตัวเราเนี่ยแต่ถ้าตัวเราเนี่ยไปรู้อะไรทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้แม้แต่ว่ารู้อาการของใจที่สบายใจไม่สบายใจรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์รู้ว่าตัวเรารู้อะไรแล้วเอามาภาคไว้ในใจเนี่ยไอ้ตัวเราที่ไปรู้ตามทวารแล้วมาภาคอันเนี่ยชื่อมันเรียกว่าจิตหรือวิญญาณขันจิตหรือวิญญาณนาขันวิญญาณนาขันเนี่ยทําหน้าที่รู้ตามทวารรู้ทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายแล้วก็รู้ทาง ประตูใจคือรู้ธรรมารมคือรู้ธรรมารมคือรู้อะไรรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้ธรรมะลมคือรู้ว่าใจเออเวทนาคืออะไรใจสบายสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเป็นกลางๆรู้สัญญาคือจําได้ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้คิดปรุงปุงคิดคือรู้เสร็จแล้วมันก็มาปรุงว่ายังไงในใจเรารู้แล้วมันปรุงมาปรุงมาพากว่าอะไรตอนนี่ไอตัวเราเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย ทำไมเราจึงเรียกว่าตัวเราก็เพราะว่าอะไรเรายึดขันห้าเนี่ยเป็นตัวเราอยู่เรายึดขันห้าเป็นตัวเราอยู่ดังนั้นว่าเวลาขันห้าเนี่ยคือวิญญาณขันเนี่ยในขันห้าเนี่ยไปรู้อะไรมันเลยรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนรู้คำถามว่าใครเห็นล่ะใครเห็นรูปเนี่ยใครเห็นรูปที่หน้ากันยุนเนี่ยใครเห็นใครเป็นคนเห็นก็ตัวเราเห็นใครได้ยินเสียงลุงตาพูดก็ตัวเราได้ยินใครเป็นรู้กลิ่นเวลาไม่กลิ่นอะไรเกิดขึ้นใครเ็คนรู้ก็ตัวเรารู้พอเราลิ้นลดอาหาร เปรี้ยวหวานมันเคม็มอร่อยไม่อร่อยใครเปนคนรูก้ก็ตัวเราเป็นคนรู้แล้วก็อสิ่งที่มาสัมผัสตัวเราเนี่ยอากาศร้อนอากาศเย็นมันร้อนขนาดไหนเย็นขนาดไหนใครเปนคนรูก้ก็ตัวเราเป็นคนรู้แล้วก็พอมีในใจเราเนี่ยเราถูกใจอะไรไม่ถูกใจอะไรหรือรู้สึกเป็นกลางๆคือสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเป็นกลางๆเนี่ยเป็นสุุกสบายกายสบายใจก็เป็นสุขุพัฒนาไม่สบายกา ย, ายกมขขขาไม่สบายใจก็เป็นทุกข์พัฒนาหรือว่าถ้ามัน ไม่ถึงกับขั้นสบายใจหรือไม่สบายใจมันก็เป็นทุกขมสุขเวทนาหรือเรียกว่าอุเบกขาเวทนานี่คือธรรมชาติจะต้องเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยตลอดเวลาในการรับรู้พอรับรู้เสร็จก็จะต้องส่งต่อสัญญาคือจําได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ ย, อย่างเงี้ยเราก็รู้จําได้กันว่าเป็นใครเป็นเป็นใครอย่างเงี้ยก็จําได้ไหมรู้แล้วก็ส่งต่อสังขารวิเคราะห์ว่าเออเป็นยังไงวคนนี้เป็นคนนะวคนนี้เป็นผู้หญิงวคนนี้เป็นผู้ชายวคนนี้เป็นอาจารย์นะอ่ามันก็จะรู้ว่าอันนี้คือพัดลมนะอันนี้คือกล่องอันนี้คือโตะ๊ะคคือืออออเ้าีีะะไรนน่ยมัจภค ภาพเป็นภาษาสมมติบัญยัติกำกับอันนี้เขาเรียกว่าตัวสัญญาจำได้หมายรู้แล้วก็สังขารคือไอ้ตัวสังขารเนี่ยเป็นตัวภาพภาพ ค, คือเป็นภาษาอย่างเราเกือเป็นคนไทยรู้ภาษาไทยมันก็ภาพเป็นภาษาไทยนะอย่างสมมุติว่าเราเห็นป้ายเนี่ยนั่งรถมาเลยเห็นป้ายโฆษณาเนี่ยถ้าผุุ้ชนทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะอ่านป้ายโฆษณาไปเรื่อยๆนั่งแล้วอ่านป้ายโฆษณาตามข้างทางเรื่อยไปเลยแต่ผู้ที่ฝึกจิตที่ใกล้จะพ้นทุกข์แล้วเนี่ย เขาไม่สนใจหลักว่าป้ายมันอ่านว่ายงไงเขาสนใจว่าไอตัวเราเนี่ยเมื่อไปรู้ป้ายเนี่ยมันมันมันมันพูดกับมันพูดว่าอย่างไงในใจอะมันวิเคราะห์ว่าอย่างไงหรือมันอ่านป้ายหรือมันอ่านป้ายหรือมันมันเห็นป้ายแล้วมันพูดไปอยังไงหรือไปอ่านป้ายมันจะเห็นที่ตัวเราตลอดเวลาเลยเนี่ย้ผู้มันจะทวนกระแสคือคนทั่วไปอ่ะมันจะตามกระแสคือตามสิ่งที่ถูกรู้ไปเขาเรียกว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยภาษาเขาเรียกว่าอารมณ์รูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ เสียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็เรียกว่าอารมณ์กินรสสัมผัสแล้วก็อาการที่หนักสังใจเวทนาสัญญาสังขารอาการที่เกิดขึ้นในใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์แต่รูปเขาเรียกว่ารูปาลมเสียงก็เรียกว่าโสตาลมถ้ากินก็เรียกว่าคันธารมถ้ารสก็เรียกว่าระสาลมสิ่งที่มาสัมผัสผิวกายก็เรียกว่าโพธพารมแล้วก็สิ่งที่ปรากฏในใจคือเวทนาสัญญาสังขารก็เรียกว่าธรรมาลม ธรรมะลมก็คือแหละรธรรมะฝ่ายปรุงแต่งธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเวทนาสัญญาญสังขารสิ่งที่ปรากฏในใจเนี่ยแล้วก็รวมทั้งวิญญาณที่มารู้เนี่ยวิญญาณที่เกิดมารู้ทั้งทวารมารู้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเนี่ยเขาว่ามันเป็นสังขารคือเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นสังขารไอ้นี่ก็เรียกว่าธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเขาจึงเรียกว่าธรรมะธรรมะธรรมะคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่ง แล้วก็มันเป็นอารมณ์ของของใจคือสิ่งที่ของเวทวิญญาณขันที่ไปรู้เลยเรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์นี่เราก็ใจแล้วว่าอารมณ์เนี่ยคือสิ่งที่ถูกรู้เราก็ใจตรงกันก่อนไม่เหมือนภาษาไทยอภาษาไทยเนี่ยอารมณ์เนี่ยคือภาษาไทยเราเรียกว่าของขึ้นเนี่ยมีอารมณ์แล้วของขึ้นแต่อารมณ์เนี่ย ทางภาษาของบาลีทางภาษาที่ปฏิบัติทำกันคือคือสิ่งที่ถูกรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็สิ่งที่ถูกรู้สังใจทำอารมณ์เนี่ยในขณะปัจจุบนันทุกขณะปัจจุบันเรียกว่าอารมณ์ส่วนจิตหรือวิญญาณาขาันเนี่ยคือผู้รู้เราก็เข้าใจตรงกันแล้วว่าอารมณ์เนี่ยคือสิ่งที่ถูกรู้จิตคือผู้รู้อารมณ์สิ่งที่ถูกรู้จิตคือผู้รู้ จิตคือผู้รู้อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้แต่ต้องรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบนจัจจบนคือจิตเก่าเนี่ยจะดับไปแล้วก็เกิดจิตใหม่มารู้แล้วก็ทรงเป่อเวทนาสัญญาสังขารคือถูกใจไม่ถูกใจจําได้หม่รู้และคิดนึกติ๊ตตองพูดได้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยวิพากวิจารณมันจําได้ไงจำได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็พูดอยู่ในใจภาคภาษากํากับไปด้วยไอ้ตัวเนี้ยพอมันเริ่มเป็นรู้เสี้ยวเนี่ยทีเดียวคือจิตเนี่ย เกิดขึ้นจิตวิญญาณสังขาเนี่ยไปรู้เพียงเสี่ยวนิทีเดียวพอรู้เพียงเสี้ยวนิทีเดียวปุ๊บมันจะต้องทํางานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารคือถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆแล้วก็จําได้ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ส่งต่อสังขารคือมันมันว่านู่นมันกับนึกตึกจองว่าอย่างไงพักว่ายังไงคิดวิเคราะห์วิจารณ์วิจรณ์ยังไง น, นี่คือธรรมชาติพอมันรู้รู้ปุ๊บพอพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอรู้เสร็จเนี่ยพอแค่รู้อันแรกแค่ได้เนี่ย วิญญาณก็ดับแล้วจิตวิญญาณก็ดับไปเพราะอะไรเพราะเกิดเพราะส่งต่อเวทนาคือถูกใจไม่ถูกใจหรือไปกลางๆไอ้รู้ที่รู้นั้นเนี่ยดับไปแล้วเจ่นรู้รูปพอรู้รูปปุ๊บครั้งแรกอะรู้แค่เป็นโคงล่างเฉยรู้เป็นโครงล่างเฉยเสร็จแล้ววิญญาณก็ดับไปแล้วเกิดเวทนาคือถูกใจไม่ถูกใจไป็นกลางๆต่อรูปนั้นแล้วก็เกิดจิตวิ ญ, ญญาณขานตัวใหม่มารู้มารู้เวทนานั้นพอรู้พอรู้เวทนาเสร็จปุ๊บ วิญญาณตัวน like ั people. People ้นอะจิตวิญญาณตัวนั้นดับไปเกิดสัญญาจําได้ว่าอะไรเป็นอะไรไอ้วิญญาณจิตวิญญาณก็ดับไปแล้วก็มารู้สังขารคือมีภาษาไทยภาคกํากับขึ้นในใจวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยว่าอะไรเป็นอะไรนี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์นี่เป็นผู้หญิงนี่เป็นผู้ชายโอ้เนี่อาจารย์นี่คนนี้คนนี้อ๋อนี่นั้นันี่คนนี้คนนี้อะไรเนี้ยมันก็จะภาคภาคกํากับเลยเบียดเสร็จในนั้นพอมันเริ่มภาคเริ่มรู้สึกว่าเออ ถูกใจไม่ถูกใจไปกลางๆแล้วก็จําได้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็พากพ า, าเขา้าเริ่มภาคในใจก็ส่งต่อสังขารอันเนี้ยพอเริ่มตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นธรรมอารมณ์เป็นรู้เพียงแค่เที่ยวนหนาจิตเดียวแล้วก็ส่งต่อเป็นธรรมอารมณ์รู้เพียงแค่เที่ยวอนาจิตเดียวแล้วก็ส่งต่อเป็นธรรมอารมณ์ตัวใหมด่ดังนั้นเนี่ยคือผู้รู้เนี่ยคือจิตหรือวิญญาณสังขารผู้รู้เนี่ยมันจะเกิดตัวใหม่เร็วมากแล้วก็เป็นธรรมอารมณ์ตัวใหม่เร็วมากพอมันรู้ปุ๊บมันถูกใจไม่ถูกใจ แล้วก็ส่งต่อจําได้ไหมรู้แล้วส่งต่อสังขารคือคําคิดปรุงปรุงคิดภาคภาคภ า, คภาคเป็นภาษาไทยกํากับในใจว่าอะไรเป็นอะไรมันเลยเกิดดับเร็วมากอารมณ์ที่ถูกรู้กับจิตผู้รู้อารมณ์ที่ถูกรู้กับจิตผู้รู้เนี่ยจิตวิญญาณขานผู้รู้เนี่ยมันเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเร็วมากเสี้ยววันนี้ทีเดียวเกิดดับไม่รู้กี่ล้านล้านอะเร็วมากแต่ที่พูดตรงนี้ก็คือปรุงพื้นในโพลท่างหลายเข้าใจทุกคนเข้าใจตรงกัน เข้าใจอย่างนี้เราว่าอ๋อกระบวนการของชีวิตเนี่ยมันดําเนินไปแบบนี้กระบวนการของชีวิตมันดําเนินไปแบบนี้ตอนนี้วิธีปฏิบัติมาถึงภ า, ปา้ปฏิบัติอาร์กิปริยัติปริยัตรวมทั้งการฟังนี้ด้วยกับปริยัติเดี๋ยวเราไปปฏิบัติจะปฏิบัติยังไงปฏิบัติก็คือทุกขณะปัจจุบันเนี่ยให้สติส ต, สติตั้งอยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจตังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ประตูใจเนี่ยอยู่ที่ประตูใจเนี่ยให้บรรู้อยู่ที่ประตูใจเพราะอะไร เพราะว่าพอจิตหรือวิญญาณขังเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันไปรู้รู้ปุ๊บมันจะต้องเอามาส่งต่อเวทนาเวทนาสัญญาสังขารภายในใจเราพอไปรู้อะไรมันจะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารภายในใจตอนนี้พอมาส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารภายในใจปุ๊บมันก็เกิดกระบวนการที่ปฏิกิยาเกิดขึ้นในใจเราพอไปรู้อะไรปุ๊บมันก็มาเกิดปฏิกิยาภายในใจเราไปรู้อะไรปุ๊บก็จะเอามาคิดสรุปแล้วคือ พ<บ>อไปรู้อะไรเข้ามันจะต้องถูกใจไม <earthquake> <hea> ่ถูกใจไปกลางๆทั้งจําได้หมารู้ทั้งทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดเราก็เห็นแค่เนี้ทั้งรู้ทั้งคิดถ้ารู้ก็เป็นจิตถ้าคิดก็เป็นธรรมอารมณ์ทั้งรู้ถ้ารู้ปุ๊บพอส่งต่อไปถึงคิดก็เป็นธรรมอารมณ์นั้นคิดที่ถูกรู้เป็นธรรมอารมณ์รู้เป็นจิตรู้เป็นจิตพอไปคิดปุ๊บเป็นธรรมอารมณ์รู้เป็นจิตคิดปุ๊บเป็นธรรมอารมณ์เวลาปฏิบัติเราก็เข้าใจแล้วว่ามัน คือขันห้าทั้งยวงทั้งไอ้ทั้งรู้ทั้งถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆเวทนาที่ท่านนันทวันไปจับสบายใจไม่สบายใจเนี่ยอันนี้เป็นเพียงแค่เวทนาแล้วมันยังตรงต่อสัญญาไอ้ตัววิญญาณขันตัวใหม่ที่มันมารู้เวทนานั้นอ่ะมันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งถูกใจไม่ถูกใจตัวใหม่แล้วก็ส่งต่อจําได้ใหม่รู้แล้วก็ส่งต่อความคิดคิดปรุงถ้าเราเนี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรักที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจสังเกตที่ใจตลอดเวลาเนี่ย เราก็จะเห็นกระบวนการเนี่ยมันคิดไม่หยุดเลยคิดไม่หยุดภาคมาหยุดพูดไม่หยุดคิดไม่หยุดภาคาหยุดพูดไม่หยุดเราก็ปล่อยวางมันทั้งหมดเลยใจเราเนี่ยได้แต่แค่รู้สัตว์ารู้คือคาว่าปล่อยวางก็คือแค่รู้สัตว์รู้ว่ารู้ไอ้ทั้งรู้ทั้งคิดอะปล่อยวางมันทั้งไอ้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยคือรู้เป็นจิตแล้วก็สิ่งที่ถูกรู้คือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นเป็นธรรมอารมณ์ลยเลยปล่อยวางทั้งธรรมอารมณ์แล้วก็ มันก็ใน้พอมารู้เสร็จมันก็นคิดรู้เสร็จก็คิดรู้เสร็จก็คิดตอนนั้นถ้าท่านปล่อยวางตลอดเวลาเนี่ยที่ที่กล้า บ, บอกว่าโออผมกลัวว่ามันจะหลงไปยาวเลยพยายามหาพุทโธพุทโธไว้หรือพยายามทําอะไรไว้เนี่ยอย่างอย่างสติปัญญาของกล้าเนี่ยก็พอที่จะสุดได้ตรงนี้ที่ว่าถ้าเราอยู่กับรู้เนี่ยปล่อยวางตลอดเวลารู้คืออะไรปล่อยวางตลอดเวลารู้ตัวเราตลอดเวลาแล้วเราไปรู้อะไรแล้วมาภาครู้อะไรแล้วมาภาค รู้อะไรมาเรามาภาดในใจรู้อะไรมาพภาดในใจมันเลยไอ้ที่เอลทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดคือคือรู้อะไรแล้วมาพาดในใจรู้อะไรมาพาดในใจเราปล่อยวางมันไปทั้งอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นมันต่างกันตรงไหนระหว่างจิตวิญญาณอาคารกับผู้ที่มารู้ตัวเราที่เป็นพุทธะที่เป็นธาตุลุกธรรมชาติแท้ๆคือถ้าเป็นรู้เนี่ยรู้ที่เป็นวิญญาณอาคณรเนี่ยมันจะมีความรู้สึกกับตัวเราเป็นคนไปรู้แล้วก็ตัวเราก็มาภาดในใจ ตัวเรามีคนไปรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางดิ้นทางกายทางใจรู้เวทนาแล้วก็มาภาคอยู่ในใจจู้บอกกับท่านอนตวันว่าอย่าไปรู้เฉพาะอารมณ์ที่ถูกรู้เพราะว่าถ้าเรารรู้แต่เออเวทนาเนี่ยที่สบายใจไม่สบายใจมันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ถ้าเรารู้แต่อารมณ์ที่ถูกรู้รูปเสียงกินรสสัมผัสและอารมณ์ที่ถูกรู้อย่างเนี้ยเราจะส่งจิตออกนอกส่งท่านเราเนี่ยส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ย เขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกที่ถ้าเราส่งจิตออกนอกมันจะเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแห่งจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์เนี่ยเราจะเดินทางอยู่ในฝ่ายทุกข์กับสมุทยัยทุกข์กับสมุทัยตลอดชีวิตถ้าเราไปหาแต่อารมณ์ที่ถูกรู้คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารคือความรู้สึกสบายใจไม่สบายใจถ้าถูกใจก็สบายใจไม่ถูกใจก็ไม่สบายใจ หรือเป็นกลางๆถ้าเราไปส่งจิตเราออกไปหาแต่ไปชอบแต่ชอบแต่พอใจแต่ไม่พอใจที่มันรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆคือสบายใจถูกใจก็สบายใจไม่ถูกใจก็อึดอัดขับคล้องดิ้นรนผักสายปรับปรับแต่งแต่งแก้แก้แล้วก็เป็นกลางกลางก็ชอบมันนิ่งเฉยนิ่งเฉยว่างนิ่งเฉยว่างนิ่งเฉยสงบว่าง น, นิ่งเฉยสงบว่างเป็นอุเบกขาเวทนาก็ไปชอบอย่างนั้นเนี่ยแต่ความจริงเนี่ย มันเป็นแค่เวทนาเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ให้รู้ที่จิตจิตคืออะไรจิตก็คือจิตไม่ใช่หลักฐานก็คือมันจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนรู้อะไรหมดทั้งหมดเลยเราเป็นคนรู้ว่าใจเราสบายไม่สบายใจเรารู้สึกว่านิ่งสงบว่างเป็นอุเบกขาวเวทนาใจเราเป็นยังไงแล้วสัญญาจําได้ไหมรู้อะไรแล้วก็คิดปรุงปุงคิดอะไรในใจแล้วก็รู้ที่ตัวเราอ่ะรู้ที่จิตผู้รู้อ่ะ ตัวเราเนี่ยจิตจมันอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงที่ตัวรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนรู้ก็รู้ตรงตัวเราเนี่ยไปรู้อะไรแล้วมาภาคอยู่ในใจรู้อะไรแล้วมาภาคมาพูดอยู่ในใจตลอดเวลาวิธีปฏิบัติเก็สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจไล่ใจสะเกตที่ใจไปวางที่ใจตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวหลงอยู่กับรู้ตลอดเวลาเลยอยู่กับรู้อยู่กับรู้อย่าทิ้งรู้ รู้อะไรก็รู้ที่ตัวเราพูดมาหยุดภาคมาหยุดพูดมาหยุดภาคมาหยุดเราจะเห็นเนี่ยความคิดหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนยี่สิ่ชั่วโมงเราดับเขาก็ไม่ได้เพราะมันเป็นชีวิตมันเป็นขันห้ามันเป็นขันห้ามันดับไม่ได้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดตามทวารเนี่ยอันเนี้ยเราดับไม่ได้เพราะมันเป็นขันห้าเป็นชีวิตเรายังไม่ตายเราดับขันห้านี้ไม่ได้เราเลยเนี่ยใครมารู้ที่เนี่ย ความคิดเราเนี่ยทั้งรู้ทั้งคิดรู้อะไรมันก็มาคิดในใจรู้อะไรมันก็มาคิดในใจเราอย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้อย่าไปสนใจเวลาไปไปรู้อะไรมันิดเนี่ยใช้ชีวิตประจําวันอย่าไปสนใจรูปรถกินเสียงสัมผัสอย่าไปสนใจอารมณ์ที่ถูกรู้อย่าไปสนใจเวทนาอย่าไปสนใจสัญญาอย่าไปสนใจสังขารให้เราเนี่ยดูตัวผู้รู้ตัวใหม่เรื่อยไปว่าตัวผู้ใหม่เนี่ยมันไปรู้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยแล้วมันก็จะต้องมีตัวไอ้ตัวที่ไปรู้ตัวใหม่มันก็จะพูดอีกพอไปรู้ตัวใหม่ก็จะพูดอีกว่รู้ตัวใหม่มันก็จะพูดอีีีมันูดยย่่่าางเเ้รทตวให